น้องสาวของพระอาทิตย์นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในงานวิวาที่ต้องเลือกระหว่างพลังเวทมนต์หรือการต่อสู้กับเหล่ายักษ์เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเหล่าราชาและราชินีได้ปกครองโลกและเมื่อพวกเขาได้พบกับครอบครัวของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีราชาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่มีบุตรชายที่มีรูปงามอยู่คนหนึ่งเจ้าชายมีเพื่อนที่สนิทที่สุดคือลูกชายของคนสวนในราชวังเด็กหนุ่มทั้งสองเริ่มเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและอยู่กินด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนราชาไม่ชอบใจนักกับเรื่องนี้แต่เจ้าชายลูกเลี้ของเขาก็ไม่มีใครอื่นอีกแล้วนอกจากลูกชายของชาวสวนเพื่อนของเขา เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กชายทั้งสองกำลังแข่งขันกันในสวนและลูกของค้นสวนก็ได้พบกับอะไรบางอย่างฮะการแข่งครั้งนี้ข้าชนะเจ้านะไม่ทันไม่ได้ข้ามาก่อนข้าถึงก่อนนะไม่ข้าถึงก่อนเฮ้ hey, นี่มันอะไรกันดูเหมือนจะเป็นขนไก่สีทองนะขนไก่แห่งทองคา มันเป็นของข้าข้าเจอมันก่อนไม่ของข้าตั้งหากข้ามาถึงก่อนนะของข้าของข้ามีเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอเด็กหนุ่มทั้งสองเล่าทุกอย่างให้ราชาฟังแต่ราชาก็ไม่ยอมให้ลูกชายของคนสวนได้ดีไปกว่าเจ้าชายดังนั้นเขาจึงคิดถึงเรื่องอื่นไปไม่ได้ร้าเนกข้าจะให้โอกาสเจ้าได้พิสูจน์ตัวเองว่าคนไก่นี้เป็นของเจ้า ถ้าหากเจ้าเจอขนไก่ก่อนเจ้าชายเช่นนั้นเจ้าจะต้องเห็นไก่ที่เป็นเจ้าของมันด้วยสิออกไปตามหาไก่ที่ทำขนไก่ทองคานี่หลุดมาซะแล้วเจ้าจะได้มันและจาเอาไว้ห้ามกลับมาพระราชวังแห่งนี้จนกว่าเจ้าจะหามันพบแต่ว่าฟาบาดพอได้แล้วงั้นเจ้าจะยอมรับไหมว่าขนไก่นี่เป็นของเจ้าชาย ออข้าไม่อยากได้ขนไก่นี่แล้วมอบมันให้ราแนกไปเถอะนะขอบคุณมากนะเพื่อนข้าแต่นี่มันเกินกว่าคำถามที่ว่าขนไก่เป็นของใครไปแล้วข้าควรดีใจที่ท่านได้มันไปแต่ข้าไม่ได้โกหกข้าเห็นมันก่อนจริงๆถ้าฝ่าบาทต้องการจะพิสูจน์จริงๆข้าจะทำให้ข้าจะไปหาไก่ที่เป็นเจ้าของของมันดังนั้นราแนก จึงออกค้นหาไก่ไปทั่วสวนของพระราชวังเจ้าชายก็ช่วยเขาด้วยเมื่อพวกเขาหามันไม่เจอราแนกจึงตัดสินใจออกจากพระราชวังเพื่อหามันอย่าไปเลยนะราแนกนี่เป็นคาสั่งของราชาข้าจะขัดขืนได้ยังไงงั้นข้าจะไปกับเจ้าด้วยนั่นก็จะขัดคําสั่งของราชาเช่นกันข้าไปก่อนนะเพื่อนข้าแล้วข้าจะกลับมาให้เร็วที่สุดดังนั้นราแนกจึงออกจากพระราชวังไป เขาคิดว่าที่ไหนในโลกกันนะที่หาคนสีทองพบแต่ว่าลองให้โชคชะตาพาข้าไปก็แล้วกันราแนกเข้ามายังป่าลึกขณะที่เขากำลังเดินเข้าไปเขาได้ยินเสียงบางอย่างเฮ้เจ้าจะไปไหนล่ะเพื่อนฮะนี่ข้าได้ยินเสียงคนพูดงั้นเหรออยู่นี่สวัสดีข้าเป็นจิงจอกพูดได้จิงจอกพูดได้จริงด้วย เจ้ากำลังจะไปไหนงั้นเหรอดังนั้นราแนกจึงเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับขนไก่ทองคาให้เขาฟังโอ้ข้าคิดว่าข้ารู้นะว่าเจ้าจะหาไก่ที่มีขนสีทองได้จากที่ไหนจริงงั้นเหรอที่ไหนไม่ไกลาจากที่นี่ทางที่ตะวันออกเป็นที่อยู่ของน้องสาวพระอาทิตย์พวกนางมีไก่ที่มีขนทองคําอยู่หกตัวแน่นอนว่าไก่ที่เจ้าพูดถึงอาจเป็นหนึ่งในนั้นไม่ต้องห่วงข้าจะนําทางเจ้าไปเอง ดังนั้นจิ้งจอกจึงนำทางเขาเข้าไปยังป่าลึกจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนภูเขาจนกระทั่งพวกเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของภูเขายอดเขาแห่งนี้เปล่งประกายราวกับมีออร่าสีทองอยู่ถึงแล้วที่นี่ละ่ะที่อยู่ของน้องสาวพระอาทิตย์พวกเราเข้าไปขอยืมไก่จากพวกเขากันดูเถิะดังนั้นจิ้งจอกและราเน็จึงเข้าไปในประสาท ประตูถูกเปิดออกและพวกเขาก็เข้าไปยังเล้าไก่ที่นั่นพวกเขาเห็นไก่ทองคำหกตัวกำลังจิกกินมเมล็ดพืชรานักสังเกตเห็นไก่ตัวหนึ่งมีขนหายไปนั่นแหละตัวนั้นแหละพวกเราไปหาน้องสาวกันเถอะพวกเขาเข้าไปในปราสาททองคำที่งดงามทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงขึ้นเจ้าเป็นใครกันอะ แล้วมาทำอะไรที่ปราสาทของข้าเ อ, อ่อสวัสดีท่านหญิงข้าชื่อราแนกและนี่คือเพื่อนของข้าจิ้งจอกที่พูดได้แล้วเจ้าต้องการไก่ทองคำของข้าใช่ไหมใช่แล้วท่านรู้ได้ยังไงน้องสาวคนเล็กของข้าถูกลักพาตัวไปโดยพวกยักษ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของคำทำนาย คนที่ช่วยนางกลับมาได้จะได้แต่งงานกับนางเมื่อพวกเขาโตขึ้นและมีเพียงชายที่มีหัวใจด่งทองคาเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้นะและพวกเราน่ก็รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยมีหัวใจด่งทองคาก็ต่อเมื่อเขาพบขนไก่ทองคาและมาที่นี่เพื่อหาไก่ที่เป็นเจ้าของมันข้าจะได้แต่งงานกับน้องสาวท่านนั้นเหรอน้องสาวของพระอาทิตย์ตอนที่ข้าโตขึ้นถ้าหากว่าเจ้าสามารถช่วยนางจากพวกยักษ์ได้นะ แล้วยักษ์พวกนั้นอยู่ที่ไหนงั้นเหรอข้าไม่รู้นะว่าข้าจะได้แต่งงานกับนางหรือเปล่าแต่ว่าข้าจะช่วยท่านพานางกลับมาเองข้ารู้มากับข้าสิแล้วพวกยักษ์แค่รักพาตัวได้ใช่ไหมพวกเขาฆ่าคนหรือเปล่าแค่แน่ใจว่าเจ้าไม่อยู่ต้เท่าของพวกเขาเจ้าก็ไม่เป็นอะไรแล้วข้าหมายถึงมีชีวิตนะหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรดังนั้น จอกจึงพาราแนกไปยังปราสาทของพวกยักษ์พวกเขาได้ยินเสียงร้องเพลงและเต้น ร, รําดังมาจากข้างในพวกเขาคลานเข้าไปในสวนและซ่อนตัวอยู่หลังต้นหญ้าใหญ่ได้อย่างง่ายดายและแอบมองเข้าไปผ่านหน้าต่างพวกยักษ์กำลังเต้นและน้องสาวคนเล็กของพระอาทิตย์ก็กําลังนั่งอยู่บนโต๊ะที่มีบันลังเล็กๆอยู่เธอดูกโกรธและน่าเวทนาตัวเธอไม่ใหญ่ไปกว่านิ้วโป้งของยักษ์เลย ที่เนปาของเธอมีดวงดาวที่เปล่งประกายเรากับพระอาทิตย์อยู่ร้านแหนคิดแผนขึ้นและกระซิบไปที่จิ้งจอกวันนี้สิน้องสาวตัวน้อยของพระอาทิตย์มาเต้นรํากับพวกเราไม่มีวันท่านไม่อยากเต้นรํากับข้างั้นเหรอท่านหญิงท่านช่วยพาข้าไปนั่งใกล้ๆเธอได้ไหม เต้นรำกับข้าได้ไหมท่านหญิงตอนนี้น้องสาวคนเล็กของพระอาทิตย์นึกถึงคำพยากรณ์แล้วเธอตกลงที่จะเต้นกับรานแนกและเมื่อพวกยักษ์กำลังมองพวกเขากำลังเต้นด้วยกันเจ้าจิ้งจอกได้กระโจนผานตาต่างแล้วดับเทียนทุกเล่มในห้องโถงจนมืดลงขณะที่พวกยักษ์กำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ดวงดาวบนหาผของเด็กหญิงได้นำทางให้พวกเขาราเน็กและน้องสาวคนเล็กแห่งพระอาทิตย์วิ่งออกมาจากห้องโถงและหลบหนีจากพวกยักษ์มาได้พวกเขากลับมายังปราสาทของเธอเจ้าทำให้คำทำนายเป็นจริงขอบคุณมากเลยนะสิบปีต่อจากนี้เมื่อพวกเจ้าทั้งคู่โตขึ้น น้องสาวของข้าจะไปที่บ้านของเจ้าและพาเจ้ามาที่นี่เพื่อแต่งงานกันราแน่กลับมาที่อาณาจักรของเขาพร้อมกับไก่ที่ขนสีทองของมันหายไปและรายงานเรื่องราวของการประจนภัยของเขากับราชาพระเจ้าเจ้าจะได้แต่งงานกับน้องสาวของพระอาทิตย์งั้นเหรอข้าก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะรักกันไหมนะตอนที่โตขึ้นมันก็เป็นไปตามคาทานายเจ้าคือคนที่มีหัวใจดั่งทองคา ในขณะที่เพื่อนทั้งสองกําลังคุยกันอย่างดีออกดีใจราชาต่างรังเกียจอย่างมากเขาคิดว่ามีเพียงเจ้าชายเท่านั้นที่คู่ควรที่จะได้แต่งงานกับคนที่ดูลึกลับและดูวิเศษจนถูกเรียกว่าเป็นน้องสาวของพระอาทิตย์ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะทำลายงานแต่งงานเมื่อเธอมาย่าอาณาจักรของเขาในสิปีข้างหน้าสิปีผ่านไปราแนกและเจ้าชายเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่รูปงามกล้าหาญและชาญฉลาด แล้ววันที่น้องสาวของพระอาทิตย์จะมาถึงก็ใกล้มาถึงแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ราชาเจ้าชายและราแนกกำลังซ้อมยิงธนูในสวนท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงสีทองพวกเขาตะลึงมากแต่ไม่ทันไรแสงสีทองได้เปลี่ยนเป็นระยิบระยับและได้มีรถม้าลอยลงมาจากท้องฟ้าจอดลงบนพื้นของราชวังหญิงสาวที่งดงามพร้อมกับดวงดาวบนเนืาของเธอได้ก้าวออกมา ราแนกนั่นน้องสาวคนเล็กของพระอาทิตย์เจ้าชายวิ่งไปหาเธอพร้อมกับเหล่าคนใช้และทหารเพื่อต้อนรับเธอสู่พระราชวังราชาขมวดคิ้วขึ้นงั้นเจ้าก็คือคนที่ราแนกช่วยเหลือมาจากพวกยักษ์สินนะเพคะข้าต้องขอโทษด้วยแต่ข้าคิดว่าเรื่องนั้นมันยากที่จะเชื่อ ท่านพ่อในฐานะของราชาแห่งอาณาจักรนี้มันเป็นงานของข้าที่ต้องค้นหาความจริงผู้หญิงที่ทรงพลังเช่นเจ้าถูกช่วยไว้โดยชายหนุ่มธรรมดางั่นเหรอข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ตามเรื่องนั้นแล้วเธอก็อยู่ที่นี่แล้วไงท่านพ่อท่านต้องการที่จะพิสูจน์อะไรอีกเรื่องนั้นมันก็สิบปีมาแล้วฟาบาทพวกเราเนะี่ย จะพิสูจน์ให้ท่านเชื่อได้ยังไงข้าจะมอบงานที่เป็นไปไม่ได้สามเรื่องให้เจ้าทำถ้าทำได้ข้าจะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงมันคืองานอะไรอย่างนั้นเหรอเรื่องแรกข้าอยากให้เจ้าทำลายพื้นป่าทั้งหมดในอนาณาจักรของข้าจนกว่าข้าจะพอใจว่าพวกมันถูกทำลายพอแล้วและข้า อยากให้เจ้าทําให้มันกลับมาโตอีกครั้งในคืนถัดไปเจ้าเป็นถึงน้องสาวของพระอาทิตย์แน่นอนว่าเจ้าต้องทําได้แนะ่เรื่องที่สองข้าอยากให้เจ้าทําสะน้ําในอนาณาจักรของข้าให้แห้งแล้งจนหมดและทําให้มันกลับมามีน้ําอีกครั้งในคืนต่อมา เรื่องสุดท้ายข้าอยากให้เจ้าทำลายพวกนกบนท้องฟ้าให้หมดด้วยแสงแห่งดวงดาวของเจ้าและทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นท่านพ่อแต่ว่านั่นมันโหดร้ายเกินไปข้าได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วอยากให้ข้าพูดซ้ำสองไหมข้าไม่ได้เป็นคนในอนาณาจักรของท่านดังนั้นข้าจึงไม่จาเป็นต้องทาตามท่านนะคะฝ่าบาทแต่ว่ารอนแอคเป็นคนในอนาณาจักรของข้า และข้าไม่ให้เจ้าพาเขาไปด้วยจนกว่าข้าจะอนุญาตราชาแบบไหนกันเนี่ยที่ต้องการให้ป่าของเขาถูกทำลายสะน้ำของเขาแห้งเหือดและฆาตกรรมพวกนกแต่ข้าขอให้พวกเขาทั้งหมดกลับมาไม่ใช่เหรอและความเจ็บปวดของพวกเขาล่ะเมื่อต้นไม้ถูกตัดลงสะน้ำแห้งเหือดและพวกนกที่ ม, มื่อไม ท่านจะสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกมันโดยเจตนาได้อย่างไงกัน <_ d ata> ข้าจะเติมเต็มความปรารถนาของท่านด้วยหนทางของข้าเอง <_ d ata> และข้าจะตัดทุกอย่างในพระราชวังแห่งนี้ที่ทำจากไม้ให้เป็นชิ้นๆเลยล่ะและทำให้พระราชวังแห่งนี้มอดไหมซะ และทำให้นกที่ไร้ชีวิตในพระราชวังแห่งนี้มีชีวิตขึ้นพอได้แล้วพอได้แล้วหยุดเถอะข้าก็แค่ทําตามคําสั่งของท่านนะฝ่าบาทวังของข้าจะล่มสลายแล้วหยุดเถอะข้าเชื่อเจ้าข้าไม่สนแล้วว่าจะเชื่อหรือไม่พระอาทิตย์คอยช่วยเหลือธรรมชาติไม่ใช่ทําลายมันได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นเหมือนราชาที่ชั่วร้ายและเห็นเกียติตัวอย่างท่านพอเถิดนะ ข้าขอร้องอภัยให้พ่อของข้าด้วยได้โปรดหยุดเถอะพวกเราไปกันได้หรือยังหรือท่านจะยังใช้กฎหมายได้ดินแดนอยู่อีกเนะข้าขอโทษ ด, ด้วยข้าอนุญาตให้เจ้าไปได้ข้าขอโทษ ด, ด้วยหน้ารานแหกท่านหญิงความโกรธของท่านยุติธรรมแล้วข้าขอให้พวกท่านมีชีวิตที่งดงามและมีการและกันตลอดไปนะ ข้ารู้เรื่องคาทานายนะแต่พวกเราต้องแต่งงานกันเพียงเพราะคนอื่นบอกอย่างนั้นเหรอไม่มาที่ดินแดนของข้าสิแล้วจากนั้นพวกเราค่อยดูว่าจะยังอยากแต่งงานกันอยู่ไหมถ้าคำทำนายเป็นจริงแล้วก็พวกเราคงจะตกหลุมรักใช่ใช่แล้วละ่ะนั่นคือสิ่งที่ข้าคิดดังนั้นราเนตและน้องสาวคนเล็กของพระอาทิตย์ได้นั่งรถมา้าไปยังดินแดนของเธอ เขาไม่รู้หรอกนะว่าพวกเขาได้แต่งงานกันไหมแต่พวกเขาได้ให้บทเรียนที่ไม่มีวันลืมแก่ราชาเขาสละความเห็นแก่ตัวของเขาและออกช่วยเหลือผู้คนพร้อมกับลูกชายของเขาและทั่วทั้งอาณาจักรของเขานั้นก็ต่างมีความสุขกันทั่วนิดนิรัน